เราก็ฟังมาถึงตอนที่ว่าเมื่อลีลาวดีได้พบกับพระเรวตต์โดยบังเอิญลีลาวดีก็ดีใจมากนะคะแต่พระเรวตต์แม้จะมีความอาลัยในลีลาวดีอยู่ก็แทงทําเป็นจำไม่ได้ตรงนี้ก็น่าชื่นชมพระเรวตต์นะคะพระเรวตต์ก็ปฏิเสธแล้วเดินทางจากไปการกระทําของพระเรวตต์ ทำให้ลีลาวดีเสียใจมากจนถึงกับเป็นลมสลบไปพอฟื้นขึ้นมาก็เพอ้อหาแต่พระเรวตะคุณลุงซึ่งอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยไม่รู้จะทําอย่างไรก็ได้แต่ปลอบใจเท่านั้นนะคะว่าให้ลีลาวดีคลายทุกโศกลงเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรนั้นซึ่งเป็นตอนอวสานแล้วนะคะขอเชิญท่าน ติดตามรับฟังได้ณบันนี้ค่ะคุณลุงคะคุณลุงอาจจะเห็นว่าลีลาวดีเป็นเด็กดื้อรั้นไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่แต่ลีลาวดีก็เชื่อมั่นจริงๆว่าพระพิสุรูปนั้นคือเลยวัตตะรู้สึกว่ามีอะไรหลายอย่างที่ทำให้ลีโาวดีเชื่อเช่นนั้นไม่มีประโยชน์อะไรหรอก ที่จะไปพิสูจน์ถึงกรุงราชครื้เมื่อเราไปถึงพระเวรุวนารามคนก็จะบอกเราเป็นเสียงเดียวว่าเธอคาดการล่วงหน้าเอาเองคุณลุงพูดขึ้นด้วยใบหน้าแสดงความไม่พอใจเธอจะไปรู้ได้อย่างไรในเมื่อเรายังไม่ได้ไปพิสูจน์เชื่อลุงเธอแล้วออกเดินทางไปราชคฤื้กันดีกว่าลีลาวดีไม่ไปหญิงสาวพูดขึ้นอย่างเด็ดขาดทําให้ทุกคนที่นั่งอยู่โดยรอบ หันมามองดูเธอเป็นตาเดียวแล้วก็หันไปมองดูหน้ากันด้วยความงงงวยพราหมณ์ชดาผู้เป็นลุงจ้องดูหลานสาวด้วยความรู้สึกไม่พอใจอย่างยิ่งเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาในใจหลายอย่างถ้าลีลาวดีไม่ไปจริงๆแผนการของเขาที่จะนําลีลาวดีไปพบกับพระเรวตะก็คงล้มเหลวคำมั่นสัญญาที่เขาให้ไว้กับพวกนิครนว่าจะกําจัดพระเรวตะ ด้วยอุบายอันแยบขายก็จะไร้ความหมายอีกประการหนึ่งเล่าขบวนเกวียนจำนวนร้อยบรรทุกสินค้าเต็มอัตราก็อาจจะต้องเดินทางกลับพาราณสีรัตนปราณีพรามแก่พูดขึ้นในที่สุดอย่าลืมนะว่าเธอยังเป็นเด็กขาดทั้งความรู้ประสบการณ์แห่งชีวิตและวิจรารณญาณสิ่งเดียวที่เธอมีอยู่ก็คืออารมณ์แต่การทาอะไรตามอารมณ์ มักจะหลงเอ่ยด้วยความพินาศขอให้เธอเชื่อวิจารณญาณของลุงเธอะขอให้เราเดินทางต่อไปอย่างกลุงล้านจกักแล้วเราจะได้รู้แน่นอนว่าภิกษุรูปนั้นใช่เรวัตะของเธอหรือไม่ขอให้เธอคิดดูให้ดีอย่าเอาแต่อารมณ์ของตนเป็นใหญ่เราไม่ได้มากันแค่สองคนแต่มากันเป็นจํานวนร้อยพร้อมด้วยสินค้าราคาประมาณมิได้เราเตรียมการมาแล้วเป็นเดือนเือน และจะมาเลิกล้มเสียกลางคันอย่างนี้เธอเห็นว่ามันเป็นการกระทําที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วลึกหญิงสาวนั่งนิ่งคิดอยู่เป็นเวลานานแล้วก็ถอนหายใจออกมาอย่างหนักหน่วงกล่าวว่าคุณลุงขาลีลาวดีเชื่ออย่างนั้นและไม่มีสิ่งใดจะมาเปลี่ยนแปลงความเชื่อของลีลาวดีได้ลีลาวดีตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ไปกรุงราชเกลือลีลาวดี จะกลับคืนสู่พาราณสีขอให้คุณลุงและกองเกวียนเดินทางต่อไปอย่างกลุ่มน่าจะคลึ้เถิดอย่าเป็นห่วงลีลาวดีเลยชายชราและลูกน้องได้พยายามรบเร้าวิงวอนหญิงสาวอยู่เป็นเวลานานแต่ไม่สามารถจ้าชนะความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวของเธอได้ในตอนสายวันนั้นในกองเกวียนได้ประชุมปรึกษาหารือกับลูกน้องทั้งหมดว่าจะทาอย่างไรดี ในที่สุดก็ตกลงกันว่าจะจัดการถ่ายคนสินค้าจากเกวียนสองสามเล่มขึ้นสู่เกวียนเล่มอื่นแล้วให้ลีลาวดีพร้อมด้วยกองคุ้มกันพอสมควรกลับคืนสู่กลุงมพารณาณสีตามความประสงค์ของเธอส่วนเกวียนที่เหลือก็ให้เดินทางไปยังกลุ่มราชคลึตามแผนการเดิมเมื่อตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยและจัดอย่างเสร็จหัวนหน้ากองเกวียน ก็เขียนสารถึงเมติยะเศรษฐีอธิบายความจําเป็นที่ต้องส่งลีลาวดีกลับฝากกับลีลาวดีไปให้บิดาของเธอและขบวนเกวียนทั้งสองก็แยกทางกันในระหว่างทางกลับบ้านทุกคนได้สังเกตเห็นว่าลีลาวดีได้เปลี่ยนแปลงกริยาอาการจากการร้องให้ข้าครวญไปเป็นการนิ่งเงียบไม่พูดไม่จา ก, กับใครเมื่อมีคนไต่ถาม ก็พูดแต่เพียงเล็กน้อยเท่าที่จําเป็นในขณะที่เกวียนหยุดพักเธอจะลงจากเกวียนไปนั่งอยู่คนเดียวงเงียบๆทอดสายตาไปไกลๆอย่างไร้จุดหมายกริยาอาการของเธอก่อให้เกิดความเศร้าและความสงสารแก่กองคุ้มกันทุกคนในกองคุ้มกันนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อกิมพิระซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของลีลาวดีที่พรามแก่หัวหน้ากองเกวียน มอบหมายให้เป็นหัวหน้ากองคุ้มกันพาลิลวดีกลับบ้านเขาได้เฝ้าสังเกตอากับกริยาของญาติสาวด้วยความสงสารเห็นใจยิ่งและเมื่อมีโอกาสเขาก็จะพยายามปลอบโยนเธอด้วยการชวนสนทนาบ้างด้วยการเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังบ้างร้องเพลงบ้าง เย็นวันหนึ่งขณะที่กองเปวียนของลิลาวดีได้มาหยุดพักค้างแรมอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งกิ่มพิระได้พูดกับลิลาวดีว่ารัตนปานีฉันสงสารเห็นใจต่อความรักอันแสนจารถมคมขื่นของเธอฉันมองไม่เห็นอนาคตเลยว่าความรักของเธอจะลงเอยในรูปใดนั่นนะสิลิลาวดีตอบตามองมือไปข้างหน้า ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันดูเหมือนมันมืดมนเหลือเกินรัตนาปานีชายหนุ่มพูดต่อไปฉันยังไม่เคยรักใครและยังไม่รู้ว่าความรักมีอํานาจยิ่งใหญ่ต่อชีวิตจิตใจของคนเพียงใดแต่เท่าที่สังเกตดูจากความรักของเธอฉันก็พอจะเดาได้ว่ามันเป็นสิ่งที่ใหญ่พอดูความรักของเธอรู้สึกว่าเป็นกรณีพิเศษจริงๆเป็นความรักชนิด ข้ามพบข้ามชาติเป็นความรักซึ่งไม่เคยได้รับการตอบสนองคนที่เธอรักเองก็ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนเมื่อเป็นเช่นนี้ฉันจึงสงสัยว่าเธอจะรักไปทำไมไม่มีประโยชน์ไม่มีเหตุผลเลยรักย่อมไม่มีเหตุผลหรือเดีตอบอย่างผู้คงแกเรียนและรักต้องไม่มีเหตุผลตราบใดที่ยังมีเหตุผลตราบนั้นก็ไม่ใช่ความรัก หนุ่มกิมพิระมองดูหญ้าสาวขอตนอย่างงงๆแล้วก็ถามอย่างซื่อๆว่าถ้าอย่างนั้นเธอจะรักไปทําไมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะรักไปทําไมลีลาวดีตอบยิ้มนิดๆแต่หาม่ใครทราบว่ายิ้มของเธอมีความหมายอย่างไรบางทีความรักอาจจะไม่ต้องการคําถามใดๆก็ได้ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมฉันจะต้องรักเลยวะตะแต่จิตใจมารักเขาเสียแล้ว ในจิตใจของฉันไม่มีสิ่งอื่นเลยนอกจากความรักในเดวตะหนุ่มกิมพิระสายหน้าอย่างหมดหวังและพูดว่ารักของคนอื่นๆฉันไม่เห็นเหมือนรักของเธอฉันเห็นเขารักกันแล้วก็แต่งงานกันเต็มบ้านเต็มเมืองมีความสุขกันทั้งนั้นรักของเธอดูมันมีแต่ความทุกข์ไม่มีวี่แววของความสุขเลยยิ่งอย่างเธอพูดลีลาวดีตอบแต่ก็ไม่แน่นัก ในส่วนลึกแห่งหัวใจฉันยังรู้สึกมีความสุขอยู่เหมือนกันเป็นความสุขอย่างลึกซึ้งที่ฉันอธิบายไม่ถูกบางทีอาจจะเป็นความสุขที่ได้รับเข้ากระมังฉันไม่เข้าใจเธอเลยรัตนาปาณีชายหนุ่มพูดพลางสายหน้าความรักของเธอเป็นสิ่งลึกลับเกินกว่าที่ฉันจะเข้าใจเสียแล้วฉันเองก็ไม่เข้าใจความรักของฉันและฉันก็เชื่อว่า คงจะไม่มีใครเข้าใจความรักได้ถูกต้องกิมพิระถ้าความรักของเธอเป็นอย่างความรักของฉันเธอจะทําอย่างไรใชยหนุ่มหัวเราะตอคคำถามของหญาสาวและตอบทันทีว่าฉันก็เลิกรักเท่านั้นเองการที่เรารักใครคนหนึ่งเราก็หวังจะได้รับความรักเข้าเทียมกันเป็นสิ่งตอบแทนซึ่งจะนำไปสู่การร่วมชีวิตและมีความสุขในที่สุด เมื่อเรารักเขาแล้วเขาไม่ลักเราตอบเขาไม่อะไรใ ย, ยดีต่อเราไม่ให้ความหวังใดๆต่อเราจะรักเข้าไปให้เสียแรงเปล่าเสียเวลาทาไมความรักของเธ อ, อยังไม่ใช่รักแท้ลีลาวดีพูดยิ้มยิ้มเพราะมันยังคลุกเคล้าด้วยความเห็นแค่ตัวด้วยความหวังตอบแทนถ้าอย่างนั้นเธอไม่หวังอะไรตอบแทนจากความรักของเธอเลยก็นั้นลึชายหนุ่มถาม ฉันไม่หวังอะไรเลยนอกจากหวังให้คนรักของฉันมีความสุขเท่านั้นถ้าอย่างนั้นเธอจะร่ำร้องถึงเขาลงทุนด้านด้นไปพบกันกับเขาทำไมหนุ่มกิมพิระถามอย่างได้ทีปรากฏว่าลีลาวดีตอบคำถามข้อนี้ไม่ได้และมันเป็นคำถามที่ทำให้เธอต้องใช้ความคิดอย่างหนักเกี่ยวกับความรักของเธอเป็นครั้งแรกเธอบอกให้กิมพิระ หยุดพูดเกี่ยวกับเรื่องของความรักแล้วก็ขอตัวขึ้นเกวียนไปรัตนปาณีกิมพิระพูดก่อนที่ริเรวดีจะจากไปฉันยังไม่มีความรักแต่ฉันเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดความรักก็ควรจะมีประโยชน์บ้างแก่ตัวเราหรือคนอื่นถ้าความรักไม่มีประโยชน์ก็เปลี่ยนความรักเป็นอย่างอื่นเสียเปลี่ยนความรักเป็นอย่างอื่น ลีลวดีทวนคำอย่างงง ง, งเปลี่ยนอะไรก็ เ, เปลี่ยนเป็นความเกลียดสิรัตนาปานีคำพูดอันมีความหมายประหลาดของกิมพิระดังกล้องอยู่ในโสตประสาทของลีลวดีตลอดเวลาจนกระทั่งเดินทางมาถึงกรุงพรลนาศี คำพูดเพียงประโยคเดียวของกิมพิระทำให้ดิรวดีต้องใช้ความคิดอย่างหนักตลอดระยะทางช่วงสุดท้ายก่อนถึงบ้านเธอนั่งอยู่ในเกวียนใช้เวลาทั้งหมดในการคิดทบทวนดูความรักของเธออย่างละเอียดถี่ท้วนทุกแง่ทุกมุมหลังจากประมวลเหตุการณ์ตั้งแต่ชาติก่อนถึงชาติปัจจุบันมาพิจารณาดูอย่างถี่ท้วนแล้วเหตุผลก็เริ่มฉายแสง เข้าสู่จิตใจของเธอเธอเริ่มเห็นว่าความรักของเธอเป็นความรักที่ไร้ประโยชน์จริงอย่างกิมพิระพูดเพราะตลอดเวลาอันยาวนานที่ผ่านมาความรักของเธอไม่ได้รับการตอบสนองแม้ถ้อยคําหวานสักคําเดียวตรงกันข้ามกลับได้รับแต่การปฏิเสธอย่างโหดร้ายตารุณทําให้ดวงใจน้อยๆ อ, อ, อันแสนบริสุทธิ์ของเธอต้องชอกช้ำมาตลอดกาล มันเป็นรักข้างเดียวอันไร้ประโยชน์และความหมายใดๆทั้งสิน้นเป็นความรักด้วยอำนาจโมหะที่ไร้คุณค่าเมื่อคิดได้ดังนี้ความรักของลิเลวดีก็เริ่มกลับกลายเป็นความเกลียดเองโดยไม่ต้องตั้งใจเธอเริ่มเห็นว่าเควตักเป็นตัวมารผู้ร้ายกาศที่มาหลอกหลอนเล่นกับชีวิตของเธอพร้อมๆกับความคิดนี้ เธอก็ตัดสินใจลงไปว่าจะเลิกคิดถึงเลวตะจะไม่พยายามไปพบเขาแม้จะมีเหตุบังเอิญที่จำเป็นต้องพบเธอก็จะไม่พูดกับเขาอีกต่อไปพอกันทีสำหรับความรักอันขมขื่นไรประโยชน์<ๆ>เธอพูดกับตัวเองเบาๆพอกันทีสาหรับความรักอันโหดร้ายธารุน ใหม่กลับมาซิเล่าลูกหลักเมติยเศรษฐีผู้บิดาถามด้วยความประหลาดใจที่เห็นลูกกลับมาโดยไม่นึกไม่ฝันลีลาวดีไม่ตอบยื่นสารของนายกองเกวียนให้บิดาและก็เข้าห้องปิดประตูขังตัวเองท่านเศรษฐีได้ทราบเนื้อความของสารด้วยความกโกลนกระวใจที่ได้ทราบว่าพระฤวตะอาจจะมาพูนเปลี่ยนอยู่ในกลุลาา่มพราณาี ไม่ช้าอาจจะได้พบกับทิดาสุดสวรรค์ของท่านหลังจากนั้นเหตุการณ์ซึ่งท่านไม่ปรารถนาก็อาจจะเกิดขึ้นแต่ท่านเศรษฐีเคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนแล้วถึงกับเคยปร่งตบยกให้เป็นเรื่องของกรรมเพราะเหตุนี้เองท่านจึงยอมให้ทิดาสุดสวรรค์ของท่านเดินทางไปพบกับคนรักที่กรุงราชยครื้แต่แม้กระนั้นก็อดที่จะวิตกกังวลไม่ได้ ในเมื่อเหตุการณ์ที่ท่านวิตกจะเกิดขึ้นเร็วเกินคาดหมายแต่ก็รู้สึกเบาใจอยู่บ้างว่าพระพิษุรูปที่ว่านั้นอาจจะไม่ใช่พระเลวัตะดีหรดืดีอาจจะจำผิดไปก็ได้อ่านสารจบแล้วท่านเศรษฐีก็เข้าไปพบกับทิดาในห้องทิดากำลังอยู่บนเตียงนอนด้วยท่าทางแสดงความไม่พอใจอะไรบางอย่างท่านได้ถามว่า รัตนปรานีลูกแน่ใจจริงๆหรือว่าพระพิสุรูปนั้นเป็นพระเรวตะของลูกอย่าพูดถึงเรวตะอีกเลยคุณพ่อลิลวดีพูดอย่างไม่ให่ดีเศรษฐีผู้บิดาถึงกับตกตะลึงที่ได้ยินคำพูดเช่นนั้นจากทิดาเป็นครั้งแรกครู่ใหญ่ผ่านไปท่านจึงถามว่าอา้าทำไมเราลูกลักจเจ้าไม่ดีใจหรอกหรือ ที่เขามาอยู่ในกรุงพารณาณสีแล้วในไม่ช้าก็อาจจะได้พบกันไม่มีวันไม่มีวันลีลาวดีพูดอย่างเด็ดขาดเราจะไม่มีวันได้พบกันอีกเป็นอันขาดท่านเศรษฐีจ้จองดูทิดาด้วยความงุนงงสงสัยไม่ทราบว่าอะไรทําให้ทิดาสาวเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคนเช่นนั้นหมายความว่าลูกจะไม่พบเขาอีกต่อไปแล้วใช่ไหมลีลาวดีตอบด้วยการพงกศีสะ แม้ว่าท่านจะรู้สึกดีใจต่อท่าทีของธิดาแต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทําไมเธอจึงเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจจึงถามต่อไปอะไรทําให้ลูกเปลี่ยนใจลองเล่าให้พ่อฟังสิไม่มีอะไรนอกจากว่าลูกเห็นว่ารักของลูกเป็นรักที่ไร้ประโยชน์ไร้ความหมายเป็นการหลงรักเข้าข้างเดียวด้วยอํานาจโมหะคือรักต่อไป ก็เสียแรงเสียเวลาลูกเลยตัดสินใจจะลื่มเขาเสียขอคุณพ่ออย่าได้ถามอะไรเกี่ยวกับลูกหรือเกี่ยวกับเขาอีกเลยขอให้ลูกได้ผักผรอจินใจสักครู่ก่อนเถิดท่านเสร็จทีจำต้องออกจากห้องไปด้วยความหุนงงแต่ก็ดีใจที่ทิดาเลิกรักพระภิกษุเสียได้นางเมติยาพราหมณีดูจะดีใจยิ่งกว่าสามีเสียอีกที่ได้ทราบว่าธิดากลับใจได้แล้ว ดีแล้วลูกเอ้ยนางพูดกับธิดาในเวลาต่อมาลืมเขาเสียได้ก็ดีเขาไม่เหมาะสมกับลูกเลยไม่ว่าจะเป็นฐานะชาติตระกูลหรือวัยยิ่งกว่านั้นเขายังโหดร้ายต่อลูกอีกนานับประการคุณแม่อย่าตำหนิเขาลีลาดีบอกมารดาด้วยเสียงแสดงความไม่พอใจแม่เธอจะเกลียดพระเรวตะแล้วแต่เมื่อมีใครมาประนามเขาตอหน้าเธอก็อดทนฟังไม่ได้ อย่าพูดถึงเขาอีกไม่ว่าในด้านดีหรือด้านเสียลิลอราดีพยายามจะลืมเขาอย่าเอ่ยชื่อเขาขึ้นมาเดอนความจาของลูกอีกมารดาจาต้องลาถอยไปอีกเป็นคนที่สองฝ่ายนางทาสีเมื่อได้ทราบข่าวว่านายสาวของตนกลับมาแล้วก็ดีใจเป็นล้นพลเหตุที่ดีใจก็เพราะเธอมีความรักและเห็นใจในปัญหารักของนายสาวมาตลอดเวลา เป็นผู้คอยปลุกปลอบให้ความหวังแก่นายสาวอย่างใกล้คิดสนิทสนมในโอกาสที่ปลอดคนเธอได้หลบเข้าไปพบนายสาวภายในห้องแล้วก็รายงานด้วยความตื่นเต้นดีใจว่าข้าแต่แม่เจ้าข้าดีใจที่ได้ทราบว่าแม่เจ้ากลับมาข้ามีข่าวดีจะเดือนให้แม่เจ้าทราบข่าวดีอะไรของเธอดีเราดีถามด้วยท่าทางสนใจ เมื่อวานนี้ขณะที่ข้ากำลังใส่บาตรอยู่ที่ประตูใหญ่มีพระภิกษุรูปหนึ่งมารับบิณฑบาต ท, ท่านบอกว่าท่านมาจากเมืองราชฤรษ์และท่านรู้จักพระเรวตะของแม่เจ้าด้วยนี่เธอคงจะไปเที่ยวสอบถามพระถามเจ้าเข้าแล้วละสิหรือเราดีต่อว่าไม่ได้แม่เจ้านั่งทาสีรีบปฏิเสธข้าไม่ได้ถามท่านท่านเป็นภิกษุที่ประหลาดรับบิณฑบาตเสร็จแล้ว ยังไม่ยอมไปยังยืนถามอะไรต่างๆอยู่อีกท่านถามอะไรบ้างละ่ะลีลาวดีถามด้วยความสนใจแต่ก็ไม่ไวายที่จะตำหนิเป็นพระพิสุไม่น่าจะมาสนใจถามเรื่องราวของคารวาัตท่านถามว่าใครเป็นเจ้าของคารวัตมีบุตรธิดาชื่อไรเวลานี้ไปไหนเป็นต้นแล้วเธอก็บอกความจริงให้ท่านทราบหมดใช่ไหมใช่นางทาสีตอบทำหน้าม้อย ข้าจะพูดเท็จได้อย่างไรในเมื่อท่านเป็นพระพิษุท่านถามอย่างไรข้าก็ต้องอตอบตามความเป็นจริงเมื่อทราบความจริงแล้วท่านแสดงกิริยาอาการอย่างไรบ้างท่านแสดงอาการว่าพอใจมากแล้วก็จากไปก่อนจากท่านยังบอกด้วยว่าเวลานี้พระเรวตะได้เดินทางมาถึงกรุงพาราณสีแล้วด้วยข้าเชื่อว่าแม่เจ้าคงจะได้พบกับคนรักในไม่ช้าข้าดีใจ จึงรีบมาเรียนให้ท่านทราบแม่เจ้าไม่ดีใจดอกหรือถ้าเป็นเมื่อก่อนฉันคงจะดีใจมากลีลาวดีตอบพลางถอนหายใจแต่เวลานี้ฉันเสียใจมากกว่าดีใจก่อนที่นางทาสีจะได้ไต่ถามอะไรอีกลีลาวดีก็รีบยกมือขึ้นห้ามและบอกว่ามันที่นีดีมากที่เธอพูดคำสัตย์จริงมาตลอดเวลาแต่ต่อไปนี้ เธอจะต้องหัดพูดคำเท็จเสียบ้างละฉันจะให้เธอทำอะไรให้อย่างหนึ่งเธอจะทำไหมด้วยความยินดีทีเดียวนางทาสีผู้จงรักภักดียืนยันไม่ให้พูดเท็จเธอก็จะยอมหรือถ้าเพื่อแม่เจ้าข้ายอมทั้งนั้นดีมากมันที่นีเต่าไปนี้ถ้าเผื่อพระพิสุรูปนั้นมารับบิณฑบาตอีกและถามว่าที่ดาเศรษฐีอยู่หรือไม่ ขอให้เธอตอบว่าไม่อยู่ถ้าท่านถามว่าไปไหนให้ตอบว่ายังไม่กลับจากเมืองรัจัคฤเธอจะทำได้ไหมนางทาสีรับคำสั่งของนายสาวแล้วก็กลับออกไปด้วยความงุนงงในบรรดาชายหกคน นายกองเปลี่ยนมอบหมายให้เป็นหน่วยคุ้มกันลีลวดีกลับบ้านนั้นมีชายคนหนึ่งชื่อโสณ ก, กะซึ่งเป็นสาวกของนิครนเช่นเดียวกับนายกองเกวียนโสณ ก, กะได้รับคําสั่งเป็นการรับจากนายกองเกวียนว่าเมื่อกลับไปถึงกรุงพระณสีแล้วให้ออกตัวเวนตามหาพระเร ว, วตะให้พบเมื่อพบแล้วให้รีบแจ้งข่าวการกลับบ้านของรัตนาปานีให้ทราบ และพยายามหาทางให้พระเรวตะพบกับรัตนาปานีให้ได้ทั้งทีก็เพราะในความเชื่อว่าถ้าพระรวตะได้พบกับรัตนาปาณีได้รับคําวิงวอนของรัตนาปานีแล้วในที่สุดก็จะใจอ่อนต่อจากนั้นแผนการกำจัดเสี้ยนน้ำของนิกรณก็จะสำเร็จโดยง่ายดังนั้นพอกลับไปถึงกลุ่มพระนาศีโซน ก, กะและคนของเขา ก็ออกตะเวนสืบหาพระเลวตะตามที่ต่างๆทั้งภายในและบริเวณใกล้กรุงพาราณีในที่สุดโสน ก, กะเองก็ได้ไปพบพระเถระณที่แห่งหนึ่งริมฝั่งแม่น้ำคงคาเมื่อแนะนำตนเองแล้วเขาก็แจ้งข่าวสำคัญให้พระเถระทราบท่านสมณนะเวลานี้รัตนปาณีได้กลับมาถึงบ้านแล้วเธอร่ำร้องถึงท่านตลอดเวลา ขอท่านได้โปรดสงสารเห็นใจหญิงสาวที่รักและบูชาท่านสุดชีวิตจิตใจนั้นด้วยพระเถระจําได้ว่าโซน ก, กะเป็นคนหนึ่งในบรรดาคนเป็นอันมากที่ไปมุงดูเหตุการณ์เมื่อท่านพบกับลีลาวดีที่ทุ่งนาใกล้กองเกวียนท่านคงคาดคะเนเอาว่าเขาคงเป็นลูกน้องของนายกองเกวียนและกําลังดําเนินการตามแผนอันชั่วร้ายของเขามิฉะนั้น เขาคงไม่ออกตะเวียนหาท่านเพื่อแจ้งข่าวนี้ให้ทราบ พ, พร้อมกับชักชวนให้ไปพบกับลีลาวดีทั้งๆ ท, ที่ดีใจเป็นล้นพ้นที่ได้ทราบว่าลีลาวดีกลับมาแล้วท่นานก็พยายามซ่อนความรู้สึกนั้นไว้ไม่ให้ศัตรูสังเกตเห็นพระเถระตอบเขาว่าขอบใจมากอุบาสกที่แจ้งข่าวนี้ให้ทราบอาตมาจะไปพบเธอในเมื่อมีโอกาส คำตอบของพระเทละทําให้โสน ก, กะยิ้มด้วยความหวังเมื่อโสน ก, กะจากไปแล้วพระเทละก็ใช้ความคิดอย่างหนักอีกครั้งหนึ่งถ้าท่านไปพบกับลีลาวดีก็เท่ากับเป็นการช่วยแผนการของพวกนิครนเป็นการช่วยทําลายหมู่คณะและพระพุทธศาสนาแต่ถ้าท่านไม่ไปพบลีลาวดีก็จะเป็นการทารุณโหดร้ายต่อเธอยิ่งขึ้นบัดนี้ ท่านสํานึกได้แล้วว่าการได้ก่อความชอกช้ำให้เกิดแก่หญิงสาวโดยไม่จําเป็นมามากเกินไปแล้วและท่านได้เคยตัดสินใจแล้วว่าจะไปพบกับเธอขอโทษเธอสําหรับความผิดพลาดที่ท่านได้ทํามาทั้งหมดในชาติก่อนและชาตินี้เมื่อคิดดูแล้วพระเถระก็ตัดสินใจจะไปพบลีลวดี วันรุกขึ้นพระเถระได้เข้าไปบินธบาตในกรุงพระณาศีตามเคยและมุ่งตรงไปยังครือหัสของลีลาวดีก่อนอื่นนางทาสียังคงยืนใส่บาทอยู่ณจุดเดิมแต่สังเกตดูหน้าตาของเธอมีแววเศรา้าผิดจากวันก่อนๆรับบินธบาตแล้วพระเถระได้ถามนางทาสีดูว่าอุบาสิกาอัตมาได้ทราบว่า รัตนปาณีที่ดาเมตียเกษทีมาจากกรุงราชครื้แล้วใช่หรือเปล่านางทาสีทำท่าอึดอัดอยู่คู่หนึ่งแล้วก็ตอบอย่างไม่เต็มปากนักว่ายัางไม่กลับท่านผู้เจริญพระเถระยืนงงอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดขึ้นด้วยความลังเลว่าแต่มีคนผู้เชื่อถือได้บอกอัตมาว่าเธอกลับมาถึงบ้านแล้วอุบาสิกาเธอยืนยันได้ไม่ว่า เธอพูดความจริงกับอัตมานางทาสีผู้น่าสงสารแสดงอาการกระวนโกลวายใจอย่างยิ่งแต่แล้วเธอก็ตัดสินใจปฏิบัติตามคำสั่งของนายสาวต่อไปค่า ย, ยืนยันได้คำตอบของนางทาสีทำให้พระเทระจำต้องจากไปด้วยความลังเลยิ่งไม่ทราบว่าสุน ก, กะหรือนางทาสีจะพูดเท็จกันแน่แต่สังเกตจากท่วงทานองการพูด รู้สึกว่าคำพูดของโซน ก, กะมีน้ำหนักน่าเชื่อถือได้มากกว่าฝ่ายโซน ก, กะเองก็สืบข่าวทางด้านเครือข่าของเมตียเศรษฐีเหมือนกันเพื่อจะได้ทราบว่าพระเถระได้พบกับลีโรดีแล้วหรื อ, อยังเมื่อได้ทราบว่ายัางไม่พบเขาก็รีบกลับออกไปพบพระเถระณัจุดเดิมที่เคยพบท่านยังไม่ได้พบกับลีโรดีดอกลื้อท่านสมณะ เขาถามด้วยความกังวลลีโ ร, รดียังไม่กลับจากกลุ่มราชคลื่พระเถระตอบใครบอกท่านโซณาถามด้วยความไม่พอใจนั่งทาสีที่ใส่บาดอยู่หน้าประตูใหญ่บอกอัตมาโซนกะได้กลับไปสืบข่าวทางเครืหายอีกครั้งหนึ่งในที่สุดก็ได้ทราบด้วยความผิดหวังว่าลีโวดีได้เปลี่ยนใจใหม่เสียแล้วเธอจะไม่ยอมพบพระเถระเป็นอันขาดเป็นอันว่า บัดนี้งานใหญ่ของเขาแทนที่จะเป็นการพยายามชักนำให้พระเถระไปพบกับลีลาวดีกับกลายเป็นการขอร้องวิงวอนให้ลีลาวดียอมพบพระเถระเขาได้เข้าไปพบกับเมตยาเศรษฐีบิดาของลีลาวดีเพื่อขออนุญาตเข้าพบกับลีลาวดีเป็นการส่วนตัวแจ้งว่ามีธุระสำคัญบางอย่างเนื่องจากโซน ก, กะเป็นลูกน้อง ในกิจการค้าผู้ใกล้คิดคนหนึ่งของท่านเศรษฐีจึงได้รับอนุญาตให้เข้าพบได้แต่โดยดีลีลาวดีโซน ก, กะ เริ่มเกลี้ยกล่อมเวลานี้ฉันได้พบกับพระเรวตะและรู้จักที่พักอันแน่นอนของท่านแล้วสุวนักกะพูดยังไม่ทันขาดคำดีลีลาวดีก็พูดขึ้นด้วยท่าทางไม่พอใจอย่างยิ่งว่าอย่ามาเอ่ยชื่อพระเรวตะให้ฉันได้ยินอีกฉันไม่อยากจะได้ยินคำนี้ถ้าท่านจะพูดถึงเรื่องเรวตะกับฉันฉันจะไม่พูดกับท่านโปรดไปได้ลีลาวดี โสน ก, กะพยายามเอาไม้่วมเข้าใส่ฉันขออนุญาตพูดอีกสักสองสามประโยคเพื่อแจ้งข่าวให้ท่านทราบเท่านั้นก็จะจากไปคือเวลานี้พระเรวตะสำนึกตัวแล้วว่าได้กระทำการอันโหดร้ายทารุณต่อจิตใจของท่านมาตลอดเวลาเขาอยากพบกับท่านเพื่อจะขอโทษท่านเป็นครั้งสุดท้ายท่านจะไม่ยอมให้คนผู้สำนึกผิดได้สารภาพความผิดหรือ ลีรวดีนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ยืนยันอย่างเด็ดเดียวว่าไม่ได้กลับไปบอกเขาเธอว่าฉันไม่มีวันให้อภัยแก่เขาและจะไม่ขอพบหน้าคาตาเขาอีกต่อไปว่าแล้วเธอก็ลุกพวดพลาดเดินหนีไปอย่างไม่ใ ย, ยดีโซนกะนั่งงงอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เดินคอตกกลับไปรายงานให้พระเถระทราบความจริงท่านสมณนะ ลีลาวดีเปลี่ยนใจเสียแล้วเธอบอกว่าจะไม่ขอพบกับท่านอีกเมื่อได้ยินคำบอกเล่าของโสน ก, กะพระเถระถึงกับใจหายวาบรู้สึกมืดหน้าวิงเวียนศีสะคล้ายจะเป็นลมท่านพยายามระงับใจและกริยาอาการให้เป็นปกติแล้วก็พูดว่าอุบาสกเอ้ยลีลาวดีทำถูกแล้วอัตมาได้กระทําทารุณกรรมแก่เธอมามากตั้งแต่ชาติก่อน บัดนี้คงถึงเวลาที่กาจะตามสนองอัตมาบ้างเอาเถอะอัตมาจะพยายามไปพบเธอเองขอให้ท่านคอยฟังข่าวก็แล้วกันจะมีโอกาสได้พบเธอหรือไม่ก็ไม่ทราบเพราะลีโรดีเป็นคนใจเด็ดเดี่ยวมากถึงข่าวรักก็รักจริงถึงคราวเกลียดเธอก็เกลียดจริงๆบัดนี้เธอคงเกลียดอัตมาเสียแล้วบางทีเธออาจจะเกลียดอัตมาตลอดชาตินี้ งจากนั้นพระเถระก็พยายามทุกวิธีทางที่จะไปพบลีลาวดีแต่ก็ไม่มีโอกาสจิตใจเป็นทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายอยู่กับเรื่องของลีลาวดีตลอดเวลาทำให้พระเถระนอนไม่ค่อยหลับฉันพัตาหารก็ไม่ค่อยได้มีหน้าตามหมุนหมองมีร่างกายสู้ผอมลงอย่างเห็นได้ชัดจิตใจที่เคยเปลึ่งปราดฉลาดหลักแหลมในธรรมะ หายไปเกือบหมดสิ้นเหลืออยู่แต่จิตใจที่ห่อเหี่ยวกระวนกระวายเป็นทุกข์บนเพลระเมอควรถึงลีลาวดีตลอดวันตลอดคืนลักษณะอาการของพระเถระที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายนี้ไม่ได้รอดพ้นจากสายตาของนางทาสีผู้เฝ้าสังเกตอ ย, อยู่ด้วยความเอาใจใส่เธอรู้สึกเห็นใจพระเถระเป็นอย่างมากและอยากจะช่วยท่านถ้าหากมีทาง แต่เมื่อพิจารณาดูอย่างถีต้วนแล้วก็เห็นว่าการช่วยเหลือพระภิกษุนั้นเกินวิสัยและฐานะอันต่ำต้อยของเธอเช้าวันหนึ่งหลังจากเห็นพระเทระเดินมารับบิณฑบาตด้วยอาการอ่อนระหวยโรยแรงเธอก็ไม่สามารถจะทนนิ่งดูดายอยู่ได้เธอได้ตัดสินใจเข้าไปพบนายสาวแล้วรายงานว่าแม่เจ้าเวลานี้ข้าสังเกตเห็นพระเทระผายผอมลงมาก ท่านคงจะเป็นทุกข์อย่างหนักจากการไม่ได้พบกับแม่เจ้าสมน้ำหน้าลีเลวดีเชิดคอพูดเป็นทุกข์สิบ้างก็ดีจะได้เห็นว่ารสชาติของทุกข์ที่ฉันเคยได้รับมานั้นมันเป็นอย่างไรนี่อย่างดีที่เขายังไม่ถึงกับตายส่วนชั้นเคยเป็นทุกข์เพราะการกระทําของเขาถึงตายมาแล้วนะนั่งคาสีถอนหายใจแล้วพูดว่าแม่เจ้า ถ้าแม่เจ้าขืนไม่ยอมไปให้ท่านพบอีกต่อไปท่านอาจจะถึงตายก็ได้นะตายเสียก็ดีเหมือนกันลีเลวดีพูดอย่างไม่มีเยื่อใหญ่จะได้รู้รสชาติของความตายเสียบ้างฉันเองเคยตายเพราะเขามาแล้วคำพูดอย่างไม่มีทางผ่อนปรนของลีเลวดีทําให้นางทาสีต้องลาถอยไปด้วยความผิดหวังเช้าวันลุกขึ้นขณะรับบิณฑบาตพระเถระก็พูดกับนางทาสีว่า อุบาสิกาอัตมาได้ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าจะไปจากกลุ่มพรณนสีท่านจะไปไหนนางทาสีถามอย่างตื่นเต้นไปกรุงสาวัตถีเพื่อขอเฝ้าพระบรมศาสดาบางทีพระธรรมของพระองค์อาจจะช่วยชุบชีวิตจิตใจของอัตมาให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้เวลานี้จิตใจของอัตมาจมเพียบอยู่ในโรกียวิสัยและความทุกข์ ดุจนาวาที่จวนจะอาบปางในท้องทะเลหลวงแต่ก่อนจะไปอัตมาอยากขอพบกับนายหญิงของเธอเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อกล่าวคําอำลาถ้านายหญิงของเธอจะอนุญาตอัตมาก็จะไปพบกับเธอบัดนี้แต่ถ้าไม่อนุญาตอัตมาก็จะออกเดินทางต่อไปขอให้เธอเข้าไปแจ้งข่าวนี้แก่นายหญิงแล้วกลับออกมาบอกอัตมาด้วยอัตมาจะคอยอยู่ที่นี่ ขอได้โปรดช่วยอาตมาเป็นครั้งสุดท้ายเถิดด้วยความสงสารเห็นใจพระเถระนั่งทาสีรีบวิ่งเข้าไปในครื่นหาดและแจ้งข่าวให้หนายสาวทราบตามที่พระเถระบอกทุกประการเป็นครั้งแรกที่ดิลวดวีรู้สึกใจหายวาบเมื่อได้ทราบว่าพระเรวตะจะจากไปความคิดของเธอจะสับสนวุ่นวายอย่างบอกไม่ถูกความโกรธแค้นชิงชังยังคงครกุกรุุนอยู่ในใจ ในขณะเดียวกันก็รู้สึกสงสารเห็นใจพระเถระอย่างลึกซึ้งเธอบอกนางทาสีด้วยประโยคอันประหลาดที่ทําให้นางทาสีประหลาดใจและดีใจร่าคนกันเธอบอกว่ากลับไปบอกเขาว่าวันนี้ฉันยังไม่อยากพบใครแต่พรุ่ง น, นี้ฉันจะพบเขาขอให้เขามาบิณฑบาตตามปกตินางทาสีรีบวิ่งไปบอกพระเถระ และสังเกตเห็นว่าพระเถระเดินจากไปด้วยท่าทางกระปี้กระเป่าผิดปกติเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อเดินด้วยอาการอันสงบมาจนถึงประตูครื่นหาดของลีลาวดีนั้นพระเถระต้องตื่นเต้นประหลาดใจอย่างใหญ่หลวงที่สุดในชีวิต เพราะแทนที่จะเห็นนางทาสียืนคอยใส่บาตอยู่ตามปกติท่านกลับเห็นลีลาวดียืนอยู่แทนความตื่นเต้นดีใจผสมกับความประหลาดใจทําให้พระเถระยืนจังงังอยู่กับที่คล้ายต้องมนต์สะกดฝ่ายลีลาวดีเล่าก็เกิดความตื่นเต้นดีใจอย่างใหญ่หลวงพ่อๆกันเธอเกือบเกือบจะเผยตัววิ่งไปเกาะเท้าพระเถระอย่างที่เคยกระทํามา แต่ความโกรธแค้นที่ยังครุกกลุนอยู่ทําให้เธอระงับยับยัง้งใจไว้ได้ความโกรธแค้นและความรักที่ยังเหลืออยู่ทําให้เธอยือนนิ่งกับที่และมีน้ําตาไหลาพลากออกมาโดยไม่รู้สึกตัวทั้งสองยืนจ้องหน้ากันอยู่ด้วยความงงงวยเป็นเวลานานพระเถระจึงเดินเข้าไปรับบิณฑบาตลีระ ว, วดีตัดพระตาหารใส่บาตรด้วยมืออันสั่นงันงก จนทัพีแทบจะหลุด จ, จากมือรับบินทบาทแล้วพระเถระได้ถอยออกมาหนึ่งเก้ายืนเผชิญหน้ากับลีลาวดีแม้ว่าเธอจะเกิดใหม่ในร่างใหม่แต่สายตาของพระเถระเธอไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเธอยังดูเป็นลีลาวดีคนเดิมตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้าสำหรับลีลาวดีพระเถระยังดูเป็นเรวัตะคนเก่าของเธอ แม้ว่าการเวลาจะล่วงเลยไปเกือบ20ปีแม้ว่าพระเถระจะมีอายุมากกว่าเธอเกือบสามรอบและแม้ท่านจะดูสู้ผอมลงไปเพราะความทุกข์แต่ท่านก็ยังดูเป็นเรวัตะคนเก่าของเธอไม่เปลี่ยนแปลงลิลวดีพระเถระสะกดใจพูดออกมาด้วยความลำบากยากเย็ยนอย่างยิ่งหลวงพี่มาขอโทษเธอเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะจากไปสู่กลุ่มสาวถี หลวงพี่เสียใจสำหรับความทารุณโหดร้ายทั้งหมดที่หลวงพี่ได้ปฏิบัติต่อเธอเพราะความหลงผิดทั้งในชาติก่อนและชาตินี้ท่านใดนั้นความโกรธแค้นจริงจังก็เกิดขึ้นในใจของลีลาวดีอย่างรุนแรงโดยไม่ได้คาดฝันคำพูดของพระเทระเป็นเสมือนเหนยใสซึ่งถูกราดลงไปบนเปลวไฟแห่งความเครียดแค้นของเธอลีลาวดีไม่มี เธอกล่าวด้วยเสียงสั่นพราลีลาวดีตายไปนานแล้วฉันไม่ใช่ลีลาวดีฉันคือรัตนปาณีฉันไม่รู้จักท่านอย่า ก, กล่าวขอโทษขอโพยให้เสียเวลาเลยลีลาวดียังไม่หายโกรธหลวงพี่พระเถราสะกดใจกล่าวแต่เอาเถอะหลวงพี่จะไม่ว่าอะไรเธอเลยแต่พบหน้าเธอได้ขอโทษเธอหลวงพี่ก็พอใจแล้วเธอไม่ต้องให้อภัยหลวงพี่ก็ได้ หลวงพี่ขอลาไปก่อนว่าแล้วพระเถระก็ออกเดินทางจากไปลีลาวดียืนจ้องดูพระเถระด้วยน้ำตาหนองหน้าอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เป็นลมล้มพับไปกองอยู่กับพื้น ในที่สุดพระเรวะตะเทระก็จําเป็นจําใจจากพระนครพระนศีมุ่งหน้าสู่ทิศเหนือเพื่อเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาซึ่งท่านเชื่อว่าคงจะพักผ่อนพระอริยบทอยู่ที่พระเจตวนารามแห่งกรุงสาวัตถีแม้ว่าท่านจะถูกลีลาวดีปฏิเสธเป็นครั้งแรกในชีวิตและได้รับความชอกช้ำใจเหลือประมาณแต่ท่านก็รู้สึกดีใจที่ได้ทราบว่า ลีโลดีเกิดใหม่จริงท่านได้พบกับเธอและได้ขอโทษเธอแล้วนับว่าท่านได้กระทํากิจที่ควรกระทําแล้วครบบริบูรณ์นอกจากนี้ท่านยังรู้สึกภาคภูมิใจอีกที่ท่านสามารถประคองตัวเป็นพระภิกษุอยู่ได้ไม่ได้ตกเป็นเหยื่อของแผนการของสาวกนิครุแต่อย่างใดแม้กระนั้นก็ตามพระเถระก็ยังอะไรคิดถึงลีโลดีอยู่ และคงจะไม่มีวันลืมเธอได้ฝ่ายลีลาวดีหลังจากวันที่ได้เผชิญหน้ากับพระฤวตะ และได้กระทําการแก้แค้นแล้วแทนที่จะดีใจกลับเสียใจอย่างใหญ่หลวงที่ได้กระทําการอันทารุนต่อน้ำใจของคนรักที่เธอใฝ่ฝันจะได้พบเพราะความรู้สึกชั่วด้นของเธอเองธรรมดาสตรีย่อมมีอารมณ์อ่อนไหวได้ง่ายกว่าบุรุษบัดนี้ดูเหมือนว่าความโกรธแค้นจริงจังของเธอต่อพระเถระได้หายไปจนหมดสิ้นแล้วยังเหลือแต่ความสงสารเห็นใจ และความอะไรคิดถึงอย่างลึกซึ้งความอะไรคิดถึงพระเรวตะเพิ่มพูนบีบคั้นหัวใจทุกวันจนเธอไม่สามารถจะทนทานต่อไปได้ในที่สุดเธอก็ขออนุญาตบิดาเพื่อเดินทางไปอยู่กับแม่เก่าที่นครนสาวัตถีฝ่ายบิดาก็จัดขบวนเกวียนพร้อมทั้งสเสบียงอาหารและคนคุ้มกันให้อย่างที่เคยกระทามาทุกปีเป็นอันว่าบัดนี้ ทั้งพระเลวตะทั้งลิลวดีต่างมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางแห่งเดียวกันคือพระนครสาวัตถีหลังจากเดินทางมาได้ประมาณเจ็ดวันพระเรวัตะเทระก็ล้มเจ็บหนักเพราะความเจ็บป่วยเดิมที่เกิดขึ้นขณะอยู่ที่กลุงมพราณสีประกอบกับความระกรำลำบากที่ได้รับจากการเดินทางพระเทระได้เข้าไปขอพักอาศัยที่ครอบครัวของนายบ้าน ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งและได้รับการเอาใจใส่รักษาพยาบาลเป็นอย่างดีจากเจ้าของบ้านผู้มีใจเมตตากรุณาเพราะเหตุนี้ขบวนเกลียนของลีลาวดีซึ่งออกเดินทางภายหลังจึงล้าหน้าขึ้นไปก่อนตลอดระยะทางที่ผ่านไปลีลาวดีได้สืบถามทุกหมู่บ้านที่ผ่านมามีพระพิสุรูปหนึ่งรูปล่างลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นเคยผ่านหมู่บ้านนี้ไปหรือเปล่า ในที่บางแห่งชาวบ้านก็ตอบว่าเห็นบางแห่งก็บอกว่าไม่เห็นหลีลาวดีตั้งใจว่าทุกแห่งที่พบพระเถระเธอจะขอโทษท่านและจะขอร้องให้ท่านลาสิขาเพื่อจะได้ร่วมชีวิตกันอย่างมีความสุขต่อไป ฝ่ายพระเรวัตะเมื่อพักรักษาตัวอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนั้นจนหายเป็นปกติดีแล้วก็ออกเดินทางต่อไปอย่างรีบเร่งวันคืนผ่านไปพระเถระก็เดินทางใกล้กระบวนเกียนของลีโรดีเข้าไปทุกทีแต่เพราะเหตุที่พระเถระต้องหยุดพักรักษาตัวเสียหลายวันจึงไปทันลีโรดีเอาที่พระเจตวานารามแห่งกรุงสาวัตถีนั่นทีเดียวในตอนเย็น วันที่ดีรวดีไปถึงพระเทะวนารามนั้นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธะกาลังทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่พุทธบริษัทหมู่ใหญ่ภายในธรรมศาลาลิลวดีซึ่งตรงไปยังพระเจตวันเพื่อจะพบพระเลวตะตมากกว่าอย่างอื่นจําต้องนั่งลงที่ท้ายบริษัทเพื่อฟังพระธรรมเทศนาด้วยความเคารพในพระพุทธองค์พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ส่งแสดงว่าพวกสัตว์ที่เกิดมาในวัฏฏะจำต้องวีนว่ายตายเกิดไม่รู้จักสิ้นสุดได้ประสบทุกข์อันเกิดจากการพัดพลากจากคนรักของรักทุกข์อันเกิดจากการประสบกับคนเกลียดของเกลียดทุกข์อันเกิดจากปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมประสงค์พบทั้งสาอันเป็นที่เกิดที่ตายของสัตว์เปรียบเสมือนลงค่าสัตว์ ท่นมหือมาที่เต็มไปด้วยสัตว์ที่ต้องถูกประหารชีวิตระงมไปด้วยเสียงร่ําไห้ปริเวทนาการของสัตว์ผู้ประสบทุกข์ตัณหาเปรียบเสมือนความหิวที่ทําให้สัตว์เพลิดเพลินและเล่มหญ้าคือวัตถุ ก, กามและกิเลสกามกินไปจนถึงประตูฆ่าสัตว์ชาติความเกิดเปรียบเสมือนพนักงานจับสัตว์ผูกมัดยัดเข้าไปในโรงฆ่าสัตว์ชลา ความแก่เปรียบเสมือนเจ้าพนักงานผู้จูงสัตว์ไปสู่ที่ฆ่าบรณะความตายเปรียบเสมือนเพชฌฆาตผู้ใช้ศาสตราอันคมตัดคอสัตว์ให้ขาดลีลาวดีนั่งนิ่งฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาด้วยความสนใจยิ่งเธอรู้สึกว่าแม้พุทธบริษัทจะมีเป็นจำนวนมากแต่พระบรมศาสดาก็มุ่งแสดงธรรม เจาะจงให้เธอฟังคนเดียวรสแห่งพระธรรมทำให้เธอเกิดความสลดสังเวชใจต่อความเกิดแก่เจ็บตายในวัฏฏะอันไม่รู้จักสิ้นสุดนั้นอย่างแรงกล้าความสังเวชสลดใจทาให้เธอเกิดความเบื่อหน่ายคลายความยินดีในขันทั้งห้าอันประกอบเป็นชีวิตร่างกายของเธอเองเมื่อเธอพิจารณาตามกระแสของพระธรรมเทศนา ขององค์พระบรมศาสดาต่อไปญาตทัศนะก็เกิดขึ้นส่องจระ จ, จ้าขึ้นในดวงกมลทำให้เธอมองเห็นอย่างชัดเจนว่าชีวิตเป็นกระบวนการอันเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเที่ยงแท้ทาวนเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่มีสิ่งใดที่พอจะเรียกได้ว่าตัวเราของเราพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงต่อไปอีกว่า ตราบใดที่สัตว์ยังถูกอวิชาตัณหาอุปาทานครอบงำสันดานตราบนั้นก็จะต้องถูกชาติชรามรนะเข็นข้าอยู่ในภพทั้งสามไม่รู้จักจบสิน้นเพราะอาวิชาความโง่เขลาไม่รู้ความจริงปวงสัตว์จึงหลงอยากหลงผิดในตนเองให้คนอื่นและในสิ่งอื่นเมื่อหลงอยากหลงผิดก็กระทำกรรม ต่อสายทุกข์ด้วยกายบ้างด้วยวาจาบ้างด้วยใจบ้างเมื่อกระทํากรรมพลังกรรมก็ก่อให้เกิดวิบากคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายในวัตะสัตว์ทั้งหลายหลงเดินไปตามทางแห่งกิเลสกรรมและวิบากสู่จุดหมายปลายทางคือความทุกข์กันทั้งโลกพระอริยสาวกผู้มีปัญญาได้สดับความจริงแล้ว ย่อมเกิดความเบื่อนหน่ายและตัดสินใจเลิกเดินตามทางแห่งกิเลสกรรมและวิบากนันเสียหันไปเดินตามทางสายใหม่ซึ่งจะนำไปสู่อมตะสุขอันบริสุทธิ์สะอาดทางสายใหม่นั้นก็คือทางแห่งศีลสมาธิและปัญญาอันจะนำผู้ดำเนินตามไปสู่พระนรุฬานเมื่อฟังมาถึงตอนนี้ลิลวดีก็รู้สึกดีว่าเธอมีความรู้สึก มีความสุขสงบเบ า, ากายเบาใจเป็นพิเศษเธอเห็นอย่างชัดเจนว่าสังขารร่างกายของเธอที่เธอเคยหลงผิดหลงตือนั้นหาใช่ของเธอไม่เป็นตะเพียงสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุปัจจัยตามหน้าที่ของมันเองโดยไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกนึกคิดหรือความใฝ่ฝันปรารถนาของใครทั้งสิน้นเธอเห็นชัดว่า ศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นหนทางอันถูกต้องแน่นอนสายเดียวที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ไม่มีความสงสยัยใดๆเหลืออยู่เลยเธอเห็นชัดว่าความเชื่อและการปฏิบัติแบบเชื่อโชคด่างของขลังชะตาราศีเลิกยามที่เธอเคยเชื่อมานั้นเป็นสิ่งหลอกลวงให้สัตว์ลุ่มหลงอยู่ในวัตตะศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นคือทางเดินสู่ สุขดิรันดร อ, อันถูกต้องจิตใจของเธอมีลักษณะเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายในอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมไม่มีความยึดถือในตัวเราหรือตัวคนอื่นมองเห็นทุกคนเป็นสภาวะธรรมอย่างเดียวกันหมดไม่มีคนนั้นคนนี้ไม่มีตําแหน่งนั้นตําแหน่งนี้ไม่มีเพศนั้นเพศนี้จิตใจของเธอสงบสุข เ ย, เยก็นปราศจากความฟุ้งซ่านรำคาญหงุดหงิดงุ่นงานใดๆทั้งสิ้นมีแต่ความสะอาดบริสุทธิ์อย่างสูงส่งมีแต่ความสว่างสวยัยด้วยความรู้จริงเห็นแจ้งในธรรมสงบสุขอย่างลึกซึง้งเมื่อพระบรมศาสดาแสดงพระธรรมเทศนาจบลงเธอก็เกิดญาณพิเศษรู้แจ้งขึ้นในใจว่าบัดนี้เธอได้กลายเป็นพระอราหารันตะีณาศพ ผู้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองและทุกข์ภัยทั้งปวงเสียแล้วเพราะเหตุที่เธอเป็นพระอาหารหันตะขีนาศพพระบรมศาสดาจึงส่งมอบเธอให้ได้รับการอุปสมบทเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาในเย็นวันนั้นเองเป็นอันว่าบัดนี้ลีลาวดีผู้มีชีวิตอันแสนเจริญเหินและเต็มไปด้วยความทุกข์กระทมได้กลายเป็นลีลาวดีภิกษุณี ผู้บริสุทธิ์สะอาดประเสริฐสุดในพระบวรพุทธศาสนาแล้วในเย็นวันต่อมาได้มีพระพิสุผู้มีร่างกายผายผอมองหนึ่งเดินเข้าสู่พระเชตวนารามด้วยอาการอ่อนระหวยลอยแรงท่านได้หยุดนั่งพักที่ใต้ต้นมะม่วงใกล้ประตูพระอารามแล้วก็อุทาน ออกมาอย่างโล่งอกว่าอ่าในที่สุดเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางท่านใดนั้นก็มีเสียงอันเล็กแหลมดังขึ้นในบริเวณใกล้เคียงว่ายังเรวตัตท่านยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางแต่ดิฉันถึงแล้วเมื่อพระเถระหันกลับไปทางเสียงนั้นท่านก็ได้พบกับบุคคลที่ไม่เคยคิดคาดฝันว่าจะได้พบพระเถระนั่งเล็งแลอยู่เป็นเวลานาน ด้วยความตาึงพ่างยกมือขึ้นขยี้ตาเพื่อความแน่ใจแต่ภาพที่ท่านเห็นอยู่ในเฉพาะหน้านั้นมันแจ่มแจ้งชัดเจนเกินกว่าที่ท่านจะเห็นเป็นอย่างอื่นไปได้ลีลวดีพระเถระอุทานออกมาคล้ายกับคนละเมอลีลวดีเธอจริงๆหรือนี่หรือว่าอาตมาฝันไปปุถุชนทุกคนย่อมอยู่ในความฝันทุกเมื่อลีลวดี ภิกษุณีตอบด้วยเสียงเรียบๆพระอริยเจ้าเท่านั้นที่ตื่นแล้วอย่างเต็มที่และอยู่ในโลกแห่งความจริงเลิกฝันเสเถิดสหพมจารีเรวตะจงมาอยู่ในโลกแห่งความจริงกับดิฉันเถิดพระเถระฟังคำพูดอันลึกซึ้งแหลมคมของลีลาวดีด้วยความงุนงงยิ่งเธอหมายความว่าอย่างไรลีลาวดีเธอหมายความว่า เธอได้กลายเป็นพระอาหารหันต์ตะขีนาศไปแล้วเช่นนั้นลึกสหภพมจารีเรวตะเมื่อเราทั้งสองยังรอยคออยู่ในทะเลคือวัตตะแม้ความตายก็ไม่สามารถจะทําลายความรักความผูกพันที่ดิฉันมีต่อท่านได้แต่บัดนี้เมื่อดิฉันขึ้นมายืนอยู่บนฝั่งแล้วความรักก็ไม่มีความชังก็หายไปยังเหลือแต่ความกรุณาสงสารท่านผู้ยังลอยคออยู่ในทะเลทุก มาเถิดสาหภมจารีอย่าประมาทอยู่เลยรีบเร่งกระทำความเพียรรีบไหว้ข้ามกระแสน้ำอันเชียวกราดแห่งวัตตะขึ้นมาสู่ฝั่งอันไพบู์ที่ดิฉันและอริยสาวกทั้งหลายยืนอยู่นี่เถิดบัดนี้พระเรวัตเถระก็ทราบชัดโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นว่าลีลาวดีได้บรรลุพระอารรัตพ เป็นพระกีนาศพเสียแล้วท่านได้กล่าวขึ้นว่าอัตมาดีใจที่ท่านถึงแล้วซึ่งความสุขอันไพ่บูร์ส่วนอัตมาก็จะพยายามต่อไปเพื่อไปให้ถึงฝั่งแห่งวัตตะอัตมาจะไม่กล่าวคําอำลาท่านเพราะพระอรัตผลของท่านจะทําให้เราต้องแยกทางกันเดินตลอดการแต่อัตมาก็พอใจที่ได้เห็นท่านถึงความสุข อันเป็นโลกุตระแล้วในที่สุดคนทั้งสองก็จากกันณจุดนั้นแม้โดยทางกายทั้งสองจะมีโอกาสพบปะกันเป็นครั้งคราวโดยวิธีอันถูกต้องตามพระธรรมวินยัยแต่โดยทางจิตใจแล้วทั้งสองไม่มีวันที่จะได้พบกันอีกเลย เป็นการแยกทางกันอย่างเด็ดขาดเพราะลีลาวดีเป็นพระอรหันต์พูดถึงแล้วซึ่งฟังแห่งอมตะธรรมส่วนพระเรวตะเถระยังคงลอยอยู่ในทะเลแห่งวัตะต่อไปเรื่องราวของลีลาวดีแม้จะเป็นนิยายอิงธรรมะ ที่เป็นเรื่องรักข้ามภพข้ามชาติแต่ก็ได้เห็นถึงความอดทนต่อการประพฤติปรุมจันท ร, ร์ของพระเรวัตะท่านไม่ใจอ่อนต่อสตรีเพศในที่สุดลีลาวดีผู้ต้องระทมทุกสะบักสะบอมชอกชำ้ำกับความรักมามากเธอจึงเห็นธรรมถึงธรรมเป็นพระอรหันต์ก่อนถ้าพระเรวัตตะใจอ่อนพ่ายแพ้แก่สตรีเพศ ทั้งสองคนคงจะต้องลอยคออยู่ในทะเลแห่งวัฏสงสารต่อไปอย่างไม่รู้จบสิน้นขอท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายจงอดทนและเข้มแข็งต่อสู้กับมารที่เคยเป็นคู่บา ร, รมีให้ชนะเพื่อจะได้ไปถึงฝั่งคือพระนิพพานให้ได้โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทินจเจริญธรรม สามพูดเทาวิสุดพุดมองใสตัดมูลกิเลสไลหลีกละนายสิ่งอื่นรมทำได้ท่านตรัดแล้วเหมือนดวงแก้วนาช่นชมชุดโลที่โสซม Dap r a t h a m Dui Pratham. So s a